5.3 ความสุขในศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นพวกเราศึกษาธรรมะไปแล้ววันหนึ่งเราจะได้รับความสุขไม่ใช่ว่าต้องไปศึกษานานแค่พอสติเริ่มเกิดขึ้นมาสติตัวจริงเกิดเนี่ยเราก็จะมีความสุขเป็นลําดับลําดับไปพอสติเกิดมาก็มีความสุขแล้วมีความสุขโชยแผ่ๆขึ้นมาในใจเราเป็นระยะระยะความสุขอันนี้ไม่อิงอาศัยสิ่งใดเลยเรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่มีอามิตรไม่มีเหยื่อล่อ เป็นความสุขที่อิ่มเอิบเบิก บ, บานอยู่ในตัวเองคือจิตซึ่งมันมีสติขึ้นมาเรียกว่าจิตมันรู้สึกตัวเรียกว่าจิตผู้รู้จิตเป็นผู้รู้จิตเป็นผู้ตื่นจิตเป็นผู้เบิกบานเราจะค่อยๆฝึกนะจนสติเกิดแล้วจิตของเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาต่อไปใจเราก็ตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นในการเห็นสภาวธรรมทั้งหลายไม่ว่าอะไรเกิดขึ้น ใจทำตัวเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปคลุกอยู่กับตัวอารมณ์จิตกับอารมณ์มันแยกออกจากกันเพราะฉะนั้นโลกาธาตุจะหวั่นไหวสะเทือนแผ่นดินไหวน้ําท่วมอะไรอย่างนี้หรือใครเขาจะเป็นอย่างไรขึ้นมาร่างกายจิตใจนี้จะเกิดอะไรขึ้นมามันไม่กระทบกระเทือนเข้ามาใจมันอยู่ต่างหากใจมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมามีความตั้งมั่นเรียกว่ามีสัมมาสมาธิมันจะมีความสุขที่ประณีตขึ้นไปอีกแบบหนึ่ง